แนะนำบทอัลม um ุมตฮีนะบทนี้เป็นบทบันญียะมีสิสามองค์การในตอนต้นของบทถูกประทานลงมาเป็นการตำหนิฮัดิดตินุอบีบัลตาขณะที่เราเขียนหนังสือถึงชาวมักกาแจ้งให้ทราบว่าทรารซูลลลอฮอะลัยวะสัลลัมได้เตรียมตัวเพื่อพิชิตนครมักกาแล้วนอกจากนี้พระองค์ยังได้กล่าวถึงระเบียบ ว่าด้วยการให้ความสนับสนุนแก่ศัตรูของอัลลอฮ์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ในเรื่องของนบีอิบราฮีมและบรรดาผู้ศรัทธาในการเปลีกตัวในการปลีกตัวของพวกเขาออกจากพวกมุสลินและได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านเพื่อสังหารบรรดาผุสศรัและระเบียบเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาหญิงผู้อพยพบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวเตือนไม่ให้ความสนับสนุน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 และไม่ได้ขับไล่ผลักใส่พวกเธอไปหาพวกปฏิเสธเมื่อเป็นที่ประจกักษ์ถึงความศรัทธาของพวกเธอและไม่ได้ลงความเห็นว่านางอยู่ในความคุ้มครองของพวกปฏิเสธศรัทธาแล้วได้กล่าวถึงข้อชี้ขาดการทําสัญญาของพวกสตรีกับท้ารอซูลสละละันหลลล้ออะไรวะสลังและเงื่อนไขการทําสัญญานี้บทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ครบรบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิต สาเหตุแห่งการประทานบทนี้ขณะที่ท่านารอซูลลลอฮฺอะลัยฮิสแลมได้จัดเตรียมกำลังเพื่อพิชิตนครมักกะอยู่นั้นฮดีบอิบนูอบีบันตาได้ส่งสารไปยังชาวมักกะเพื่อแจ้งข่าวให้พวกเขาทราบว่าท่านารอซูลลลอฮฺอะลัยฮิสแลมตั้งใจที่จะบุกพิชิตพวกท่านดังนั้นขอให้พวกท่านระมัดระวังไว้ด้วย สารฉบับนี้ได้ถูกส่งไปกับหญิงผู้เดินทางคนหนึ่งแ ล, แล้วเราส่งประธานองค์การลงมาให้ท่านรอซูลุลลอฮฺอะเลวะซัลลัมที่ได้ส่งอาลีอิบูอบิตลลอฮสุบเบตและอัลมิกดารออกติดตามไปโดยกล่าวว่าพวกท่านจงออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งชื่อเราบอททอสซึ่งอยู่ห่างจากนครบรินาประมาณสิบสองไมล์ นาที่นั้นจะมีหญิงเดินทางผู้หนึ่งอยู่ในกระโจมบนหลังอูดมีสารอยู่กับพวกนางพวกท่านจงเอาศารมาจากนางแล้วนำมาให้ฉันดังนั้นพวกเขาจึงออกไปจนกระทั่งถึงสวนและได้พบและพูดกับนางว่าจงเอาสารมาให้เรานางได้พูดตอบว่าสารไม่ได้อยู่ที่ฉันพวกเขาจึงพูดกับนางอีกว่าจเจ้าสารออกมาหรือให้เราเปลื้องเสื้อผ้า นามจึงส่งสารออกมาจากผมเปียกของหนาดแล้วเราได้เอาสารนั้นมามอบให้ท่านนบีสลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมปรากฏเป็นสารจากหัดีิถึงมุชรีกีนชาวมักกาจิท่านรอซูลจึงกล่าวว่าอะไรกันนี่ฮัดีิเขากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลโปรดอย่ารีบตัดสินแจ่พวกฉันเช่นนั้นความจริงฉันเป็นผู้มีข้อผูกพันกับพวกปุเรส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 อัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือท่านให้มีชัยชนะเหนือพวกเขาอย่างแน่นอนท่านอนาับดุลสลลลฮุอะไลห์วะสลัมได้ตอบว่าใช่อุมารระดีลลฮุอันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอสูลปล่อยฉันฟันคอมูนาฟิก ค, คนนี้เถิดท่านรอสูลสลลลฮุอะไลห์วะสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงเขาได้เข้าร่วมในสมรภูมิบาดัตใครจะร่วมรู้ได้บ้าง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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอย่ายุฮัลลัลกินะอามานูลาตแทฮิดูอัลโดุย وعدو وكم أولياء تلقون إليه بالموادة و قد وقد كثروا بما جاءكم من الحص يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إ ن ك ن تمخرجتم جهادا إنكم تمخرجتم جهادا في سبيل و ا ن ت غ ا ر مرضاتي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 และข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าผิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทาเช่นนั้นแน่นอนข้าได้ให้เขาหลงออกจากทางอันเพียงทมแล้ว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 ความสมนันทางเครือญาติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเจ้าในวันกิยามะพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าและลอนนั้นทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إن براء منكم و م ِ ما تعبدون من إِنَّا خ ََْ ن َ ا ك ُ م مِن ر َ و َ ح ٍَ ا ع ْ ن ِ ض ْ ه َُ ن َ ع ْ م َ ا ل ع ك ُ م ْ و َ ا ل ْ ر ض ُ ع َ ا ََْ ا ل ا ل ْ م ن ََْ و َ ا ع ْ ض َُْْ أ َ ع ْ م ا ل ِ ا ل ُْ ن ِ ن و َ ا ْ ر ِ ض ْ ه ِ عَنْ أ َ ع َْ ا ل ِ ا ق َِْ ي َ و َ ا ع ر ِ ه َُ أَعْمَالِ ا ل ن َِ ي ل َ و َ ا ر َ ا أ َْ م ا ل ِ ا م ُ ن ْ ك َِ ن َ ا ل ل ه َ ن َْْ م ل ِ ل ْ م ن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 เราขอปฏิเสธสภาต่อศาสนาของพวกเจ้าและการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าได้ปรากฏขึ้นแล้วและจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียวนอกจากคำกล่าวของอิบราฮิมแกวิดาของเขาที่ว่าแน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งๆ ท, ที่ฉันไม่มีอำนาจใดๆจะช่วยท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอัลลอ์ได้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 ขอพระองค์อย่าทรงให้เราเป็นที่ทดสอบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโอ้พระผู้พิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงปรีชายาแล้ว่านาคม่วัมจรลลาห์วันลิดวิัลลาห์ลิ ได้มีแบบอย่างอดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเจ้าแล้วแก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์และวันสุดท้ายและผู้ใดผิดหลังให้การศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญทัศอัลลอฮฺอีเยจ์ะลัยน์กุมฺวะบินัลลฺลีนอาดีฺตุมมินฮฺมฺมวัดเดะวัลลอฮฺขัดีร ลบางทีอลัลลอฮอาจจะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขาและลอเป็นผู้ทรงอาดุภาพแล้วลอ้นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอละยิบให้ทูนอัลลอฮฺแก่ผู้ที่นันแล้วไม่ได้ต่อสู้กับพวกท่นในเรื่องศีลธรรมและไม่ได้ขับไลกท่านออกจาองพน มมลล Allah ไม่ได้ห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขาไม่ได้คำไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทําดีกับพวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ยุติธรรมทั้งหลายอินนั้ม يَنْهَىكُمُ ا ل ل َّ عَنِ ّ ذ ِ ي ن َ ق َ ا ت َُ ك ُ م ِّ و َ خ ْ ر َ ج ُ ك ُ م َِ ك ُْ و َ ظ َُ و َ خ ْ ر َ ج ِ ك َُْ و َ ل َ ه ُ م ْ وَمَيِّتَ وَلَهُمْ ف ََ ا إِن ك َ ه َُُ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 إذا ج ا ء ُ م المؤمنات مهاجرات ف م ت ح ُ و ه م الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون ل ه م و آ ت ه م ما ولا جناح عليكم أن ت ن ف ح و ه م إذا آتيتم ه أجرهم و ولا تمسكو ا بعصم الكواكب واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อบัรดาหญิงผู้ศรัทธาลีบไพรมาหาพวกเจ้าก็จงสอบสวนพวกนางก่อนอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในการศรัทธาของพวกนางครั้นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าพวกนางเป็นผู้ศรัทธาก็อย่าได้ส่งพวกนางกลับไปยังผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกนางไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนางและจงจ่ายคืนให้แก่พวกเขา สามีเดิมที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปสินสอดจะไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเจ้าที่แต่งงานกับพวกนางเมื่อพวกเจ้าได้แก่พวกนางซึ่งของมั่นของพวกนางและยาน่วงเหนียวพันท่การแต่งงานของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงขอคืนในสิ่งที่พวกเจ้าใช้จ่ายไปและให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไปนั่นคือข้อตัดสินของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเจ้า وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ ف َ ع َ ا ق َ ب ْ ت ُ م َْ آ ت ُ و ا الَّذِينَ ذ َ ه َ ت ْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ และถ้าคนใดในบรรดาปัญญาของพวกเจ้าหนีออกไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วท่านเมื่อพวกเจ้าสามารถแก้แค้นริบทรัพย์คืนมาได้ประงจงใจคืนให้แก่ผู้ที่บรรดาปัญญาของพวกเขาหนีไปเท่ากับจํานวนที่พวกเขาได้จ่ายไปและจงยำเกรงอลัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิด يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا ي ش ر ك ن بالله شيئا ولا ي س ر ق ن ولا يزنين ولا ي س ر ق ن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ب ب ه ت ا ن โอนาบิเอเมื่อบันดาหญิงผู้สรัทธาได้มาหาเจ้าเพื่อให้สัตยาบันแก่เจ้าว่า พวกนางจะไม่ตั้งพาคีใดๆต่อร้อ์และจะไม่ขมโมยและจะไม่ละเมิดทางเพศและจะไม่ฆ่าลูกลูกของพวกนางและจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้ายโดยการเสกสรรลูกของคนอื่นให้เป็นลูกของเขาและจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าในเรื่องดีงามดังนั้นจงรับการสัตยาบัรของพวกนางและจงขอต่อร้อยง่าภัยแก่พวกนางแท้จริงอลัลลันเป็นผู้รงอาภัย อ ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เอากลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงกลิ้วต่อพวกเขาไว้เป็นมิตราหยายแน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันประโลกแล้ว จะเหมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวสุสาน